ทีนี้เมื่อเห็นความไม่เที่ยงก็ามาเลือกเฟ้นก็เหลือแต่นิวรับกับโพชชงและจะเจริญอย่างไรฉะนนั้ผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องก็เลือกที่จะละนิวร์เจริญโพษชงแต่ผู้ที่ไม่มีปัญญาไม่ฉลาดในสติปัฏฐานพวกนี้ละโพชชงเจริญนิวร์เนี่ยนะก็เห็นว่านิวร์เป็นตนเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยตนเป็นตน้นมันก็เขาก็ไม่น้อมไปเพื่อละนิวร์ที่ควรละไม่น้อมไปเพื่อเจริญโทษชงที่ควรเจริญเมื่อไม่ละนิวร์ ที่ควรละก็แปลว่าไม่กําหนดรอบรู้อุปาทานนักขัไม่กําหนดรอบรู้ในอายตนะที่ควรกําหนดรอบรู้ก็เลยไม่ได้ละนี่วอนเป็นต้นที่ควรละไม่เจริญโพชฌงที่ควรเจริญแล้วจักทาให้แจ้งพระนิพพานได้อย่างไรมันก็คิดอะไรก็ได้ที่มันตรงกันข้ามกับคําสอนนั่นแหละเรียกว่าไม่ฉลาดใน โคจรเนี่ยนะแหล่งธรามหากินในศาสนาว่า ง, งั้นสนามอะเรียกอะไรนะทุ่งหญ้าเลี้ยงโคตัวก็ไม่รู้เนี่ยนะฉันใดวิธีคิดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวเองก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้และจะเจริญงอกงามในศาสนาได้อย่างไรเนี่ยนะ น, นี่เรียกว่าไม่รู้ชัดในสติปัฏฐานสี่ เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะปลูกปัญญายาณของตนไว้ในธรรมะอันสุขุมไม่ตั้งไว้ในสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะเมื่อไม่ตั้งมั่นในสติปัฏฐานที่เป็นโลกิยะซึ่งเป็นสติสัมโพชฌงเป็นตน้นก็ไม่สามารถเพื่อจะยังโลกุตระธรรมให้เกิดขึ้นได้นี่นะเมื่อโลกุตระธรรมไม่เกิดแล้ว สีละขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุติขันวิมุติญาณทัศ น, นขันเป็นต้นจักมีได้อย่างไรเนี่ยนะอันนี้ใครเรียกว่าภิกษุผู้ไม่ฉลาดในโคจรเ น, นี่ยนะที่อยู่ในวิสัยของบิดาแห่งตนคือสติปทานสี่ก็แปลว่าไม่โคจรท่องเที่ยวปล่อยใจให้เป็นไปกับสติปทานสัมมาปทานอิทิบาทอินรีพระละและ พ่อชงอง์มักเนี่ยนะเรียกว่าไม่โครจรไปในทางของบิดาของตนคือพระพุทธเจ้าคือในโพธิปักจยธรรมทั้งหลายข้อต่อไปบอกว่าภิกษุเป็นผู้รีดอรนายโคบานผู้โง่เขลาเนี่ยนะรีดนมโคไม่ให้มีเหลือฉันใดเปรียบภิกษุผู้โง่เขลารีดเสียหมดไม่มีส่วนเหลืออธิบายไว้เป็นอย่างไรบอกว่า ครือ บ, บดีทั้งหลายผู้มีศรัทธา ม, มาปวารณาเชื่อเชิญภิกษุในศาสนานี้ให้เลือกรับจีวรบินทบาาเซนาสนะกิฬานปัจจัยเภศักบริคารในการที่เขาปวารณาเช่นนั้นเธอไม่รู้จักประมาณเพื่อจะรับปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้นรับหมดเกลี้ยงเลยเนี่ยนะลักษณะ น, นี้เรียกว่ารีดแบบไม่มีเหลือ นี่ย้อนกลับมาดูว่านายโคบานผู้โง่คลาวรีดนมโคไม่เหลือนี่เป็นอย่างไรบทว่าอนวาวะเสสะเนี่ยนะโดฮีโหติความว่าเนื้อและเลือดของลูกโคจะตั้งอยู่ได้เพียงใด น, นะปกตินายโคบานผู้ฉลาดจะต้องรีดนมโคให้เหลือไว้สักสองสามเต้าเนี่ยนะเอาไว้ให้ลูกโคเนี่ยมันดื่มกิน มันจะได้เจริญด้วยเนื้อเจริญด้วยเลือดฉันใดแต่นายโคบานผู้โง่เขลามีกี่เต้ารีดเกลี้ยงเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นลูกโคที่ยังดูดน้ํานมก็ยอ่อมอิโรยเนี่ยนะก็อดอยากผอมโซเลยใช่ไหมกระหายน้ํานมไม่ดื่มน้ํานมบางทีก็ตายตัวสันล้มตายต่อหน้าแม่โคแม่โคเห็นลูกน้อยก็เลยคิดว่าแม้แต่น้ํานมของตนก็ยังให้ลูกดื่มไม่ได้ นายโคบานเขารีดเอาไปหมดน้ำใจโคโคมันก็คิดเป็นเนี่ยนะมันก็คิดเป็นว่าเออเนี่ยมันควรจะเหลือน้ำนมไว้ให้ลูกเราบ้างแต่นี้มารีดเอาของเราไปหมดแม้แต่ลูกเรายังไม่ได้ดื่มได้กินเลยเนี่ยนะแม่แม่โคก็เลยโศกถึงลูกน้ำนมที่เคยพอหลังออกบ้างเนี่ยนะพอเรียกว่าโศกถึงลูกน้ำนมมันก็ไม่หลังเมื่อน้ำนมไม่หลัง ให้คนรีดนมโคไปรีดเอาอะไรก็รีดเอาเลือดโคสิกันเนี่ยนะยิ่งเลือดก็ลิ่งรีงรดก็ยิ่งพอมผอมผอมเพราะว่านมโคก็คือเลือดโคนั่นแหละนะก็เลยผอมผอมผอมในที่สุดตัวเองก็ขาดอดเนยใสยเนยข้นเป็นต้นเนี่ยนะภิกษุผู้โง่เขาก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะไม่รู้จักประมาณในการรับเช่นว่าเครือหัดทั้งหลายเขามาปรวารณาสองอย่างคือปรวรณาด้วย วาจากับปรวรณาด้วยปัจัยอันดับแรกที่ว่าปรวารณาด้วยปัจวาจาก็คือบอกว่าท่านผู้เจริญท่านประสงค์สิ่งใดก็โปรดบอกในสิ่งที่ท่านต้องการอันนี้เขาเรียกว่าปรวารณาปกติแล้วพระพิสูจน์ทั้งหลายเนี่ยจะขอจีวรจากคนที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรวรณาไม่ได้บางทีแม้แต่พูดเรียบเคียงยังยากเือนนเถอะทั้งสิ่งที่ปกติเนี่ยนะ นึ่งการเรียบเคียงสองการเอ่ยปากขอเนี่ยถ้าไม่ใช่ยากไม่ใช่ปวารณานี่ก็ยากเพราะคนที่เป็นคนที่เขาฉลาดบางทีเขายังเขาก็อยากจะทําบุญนะเขาก็มาเอ่ยปากปวารณาว่าพระคุณเจ้าต้องการจีวรก็ให้ขอต้องการอาหารก็ให้บอกต้องการที่อยู่อาศัยเป็นต้นก็ให้บอกก็เรียกว่าปวารณาเนี่ยนะพอปวารณาอย่างสมัยก่อนเขาก็ปวารณาด้วยวาจาสมัยใหม่อาจจะเขียนบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนีนะ แล้วก็เรียกว่าเขียนปวารณาทีนี้พอปวารณาเสร็จภิกษุก็ไม่รู้ไม่รู้กําลังก็เลยปวารณาเท่านั้นแหละโอ้โขอใหญ่เลยเนี่ยนะขอถ้าจนแต่ว่าเขาไม่มีจะใช้เหมือนกันนั่นแหละเนี่ยนะขอถ้าเขาหมดตัวเลยก็มีเนี่ยนะอย่างสมมติว่าบ้านบางทีเขาเอามาแหมอยากจะสร้างที่อยู่ก็เมื่อไหร่ก็บอกนะสร้างซะเขาเนี่ยหมดตัวเลยก็มีเพรา ะ, ะนั้นบางทีเนี่ยถ้าคนที่ไม่ ไม่รู้จักประมาณในการรับเนี่ยนะไม่รู้จักประมาณในการขอปัจจัยก็เหมือนกับรีดนมโคไม่เหลือฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าทำไมขูดรีดเรามากขนาดนี้เมื่อเขามีความรู้สึกว่าขูดรีดจะเป็นยังไงเนี่ยนะ ก็ก็อย่าลืมว่าปัจจัยสี่ทั้งหลายคารวะเขาได้มาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายเป็นต้นนะะด้วยหยาดเหงื่อแรงกายเหงื่อท่วมตัวกว่าจะได้ปัจจัยเหล่านั้นมาถึงแล้วมาถึงให้คนที่ขอขอขอแล้วก็ขี้ขอด้วยเนี่ยแหมมันน่ากลัวเหลือเกินก็มีอยู่ยุคหนึ่งสมัยหนึ่งพระพิสูจนเนี่ยโอ้ยขอจริงๆมีอยู่ช่วงหนึ่ง น, นะแต่เป็นจะเป็นเฉพาะที่อนะก็ขอมากเพราะขอมากขึ้นขอมากขึ้นเดี๋ยวก็ขอแรงงานมัง่งเดี๋ยวก็ขอปัจจัยมัง่งเดี๋ยวก็ขอโน่นขอนี่ หนักๆเข้าขอมากๆเนี่ยนะชาวบ้านเขาพหวาเลยเห็นเสื้อเห็นผ้าจีวรผ้าแบบเห็นแม่โคยังหนีเลยอะ่ะเห็นสีของโคก็เลยเฮ้ย hey, พระมาแล้วมั้งเลยหนีเลยเนี่ยนะแอบซุ่มคอยดูเอิ น, นกลัวจะมาขอเหมือนกันขอมากขนาดนั้นจนในยุคปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะไปหลายแห่งเนี่ยพอเราเดินไปเนี่ยเขาบางทีเขาไม่รู้จักเราบ้างเขาจําเราบ้างไม่ได้บ้างเอออง น, นี้จะมาขออะไรหรือเปล่าเนี่ยนะ เขาเาเขากระเวงไว้เลยเนี่ยนะเขากลัวมากเลยตอนเนี่ยกลัวการขอจะมาเรียอะไรอะไรอีกน้อเนี่ยนะจะมาเรียอะไรอะไรอีกน้อจะมาขออะไรอีกน้อเป็นต้นพวนี้ก็เลยเดือดร้อนมากนะก็กลายเป็นว่าอะไรน่ากลัวเท่ากับบอกว่าการขอคือคนที่ถูกขอเนี่ยนะเมื่อมาขอของที่รักชอบไหมก็ไม่ชอบไอคนที่ขอเนี่ยขอเมื่อไม่ขอไม่ได้อย่างใจ ก, ก็โกรธอีกเพราะฉะนั้นก็เลยมันก็เป็นอย่างเนี้ว่า ผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอและมีอยู่ในชาดกอยู่เรื่องหนึ่งเพราะว่าการขอเนี่ยนะการขอนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่นับว่าค่อนข้างเลวร้ายพอสมควรเลยแหละบอกวิธีถ้าเราจะไม่ไม่อยากคุยกับใครเลยนะง่ายมากขอเขาเห็นหน้าปั๊บขอเลยนนะแล้วเขาชอบอะไรที่สุดขออนั้นแหละแล้วเราจะได้เลิกคุยกันเหมือนกันนะนะวิธีการง่ายถ้าไม่อยากไม่อยากคบกับใครนานอ่ะนะง่ายมากขอเขาเถอะเนี่ยนะและมีในชาดกอยู่เรื่องหนึ่ง ฤอษีท่านหนึ่งเขากลัวพญานาคมากนาคมาเที่ยวเยี่ยมเขาบ่อยมากเลยนะแต่ก็จำแรงกายมาเป็นชายหนุ่มเข้ามาเยี่ยมฤอษีที่อยู่ในป่าฤอษีนี่ก็แหมปรึกษาเพื่อนบอกกลัวเหลือเกินนาคมาแต่ละทีกลัวกลัวทำยังไงดีให้นาคหนีไปบอกง่ายนิดเดียวก็ขอแก้วนาคสนะิขอแก้วนาคทีนี้วันหลังนาคก็มาเที่ยวมาพูดมาคุยด้วยก็เลยขอเลยขอเธอแก้ววันนี้ หนากเลยโหสะดุ้งหนีเลยเนี่ยนะกลัวมากเลยวันหลังก็มาอีกฤศีก็ขออีกกลัวหนีไปอีกเนี่ยนะวันที่สามก็โอ้โหไม่มาหาท่านแล้วท่านขอเลือกเกินขอจังเลยเนี่ยนะนะแล้วขอในสิ่งที่ตัวเองให้ไม่ได้ขอแก้วเนี่ยนะซึ่งมันเหมือนกับว่าเป็นสมบัติชีวิตเลือดเนื้อนะเพราะฉะนั้นขอกันยังงขนาดนี้นั้นพระพิสูจน์ที่มักขอก็เหมือนกันเพราะเอ่อชื่อนี่ง่อยเลยเนี่ยนะเพราะอะไรกลัวขออีกแล้วเนี่ยนะนะนั้นผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ ถูกขอและผู้ที่ถูกขอเมื่ อ, อผู้ที่ขอเองเนี่ยนะเมื่อขอไม่ได้ก็โกรธเนี่ยนะมันไอคนที่ถูกขอก็ก็ไม่ชอบเพราะขอของอันเป็นที่รักเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระรัฐบาลท่านจึงบอกว่าผู้พ่อแม่ของท่านเนี่ยนะคือเนี่ออยากพระรัฐบาลไปฉันที่บ้านท่านเป็นปกติแล้วท่านก็ไม่เคยขออะไรจากพ่อแม่ของท่านเลยพ่อแม่ก็เลยบอกเอ้พระรูปอื่ น, นๆเขาก็ขอกันเยอะแยะทไมลูกไม่ขอบ้าง ก็บอกว่าผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอเพราะฉะนั้นพระรัฐบาลท่านบอกว่าท่านไม่อยากไม่เป็นที่รักของพ่อแม่ก็เลยไม่ขออะไรเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะทําบุญอะไรก็ถวายเอากันแล้วกันก็ดูเอากันแล้วกันอะไรเหมาะสมหรือสมควรนั้นพระรัฐบาลไม่ขอ เพราะอะไรเพราะอย่างว่าเดี๋ยวก็พ่อพ่อแม่ก็ไม่ค่อยมีศรัทธาอยู่แล้วเนี่ยนะยิ่งขอมากก็หมดศรัทธาไปเลยเรียกว่ารีดนมโขไม่เหลือบางทีไม่รู้เขาจะมีกินมีทานมีอยู่มีใช้หรือเปล่าไม่รู้ตัวก็ขอเอาขอเอาเนี่ยนะเป็นตน้นกว่าจะได้มาแต่ละอย่างแต่ละอย่างอาหารกว่าจะได้มาแต่ละมือเสื้อผ้ากว่าจะได้มาแต่ละชุดที่อยู่อาศายัยบ้านช่องกว่าจะได้มาเนี่ยเรียกว่า แม้เหงื่อท่วมเป็นต้นเนยนะกว่าเรียกว่าเหน็ดเหนื่อยอาบเหงื่อต่างน้ํากว่าจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยความบากบั่นมันขยันที น, นี้นักบวชที่ขอมากเกินไปเนี่ยในความรู้สึกแม้แต่คนไม่ฉลาดก็รู้สึกไม่ค่อยดีกับกับผู้ที่ขอมากๆอยู่แล้วละเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าภิกษุไม่รู้จักประมาณในการรับปัจจัยเหล่านั้น น, นะนะแล้วก็บางทีเขาก็เอาปัจจัยมาให้เนี่ยนาะยกปัจจัยมาให้เนี่ย มนั้นทายกเข้าเอามาตัวเองก็รับหมดรับแบบไม่มีส่วนเหลือแบบชนิดที่เรียกว่าแทบจะถอนรากถอนโคนน่ยนะก็เหมือนกับภิกษุผู้นายโคบาลผู้โง่เขารีดนมโคโดยไม่เหลือฉันนั้นเนี่ยนะทีนี้ต่อไปเนี่ยนะภิกษุผู้ไม่ฉลาดนายโคบาลผู้โง่เขา่าเป็นผู้ที่ไม่ปรนปรือเหล่าโคอุสภะ ซึ่งเป็นพ่อฝูงผู้นำฝูงด้วยการปรนปลือชนิดพิเศษเนี่ยปกติเนี่ยจะต้องนับถือหัวหน้าจ่าฝูงหัวหน้าโคจ่าฝูงต้องนับถือเขาหน่อยเพราะก็เป็นหัวหน้าเป็นประธานชั้นใดภิกษุทั้งหลายก็ต้องฉันนั้นเหมือนกันจะต้องรู้จักะไรภิกษุผู้ไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระรัตตัญยูมีพรรษาบวชมานานแล้ว เป็นบิดาของภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยการบูชาอย่างล้นเหลือเนี่ยเป็นอย่างไรภิกษุในศาสนานี้ไม่เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาในภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระรัตตัญมีพันษาบวชมานานแล้วเป็นบิดาของภิกษุสงฆ์ผู้นำภิกษุสงฆ์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง อย่างนี้ภิกษุเรียกว่าไม่บูชาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเทระรัตตัญยูมีพรรษาบวชมานานเป็นบิดาภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำภิกษุสงฆ์ด้วยการบูชาอันล้นเหลืออย่างนี้เนี่ยนะอธิบายว่านายโคบาลผู้โง่เขลานายโคบานผู้โง่เขลาผู้ไม่ฉลาดเนี่ยนะ ก็ไม่ไ ม, ไม่บูชาไม่บูชาหัวหน้าโคจ่าฝูงปกติเนี่ยนายโคบาลคนฉลาดเขาจะปรนเป ร, โรืโคจ่าฝูงโคตัวใหญ่เนี่ยนะโคพิเศษด้วยการปรนเปลือพิเศษให้อาหารแบบพิเศษให้ของหอมให้เจมิมในการประดับดอกไม้สวมปลอกทองคำหรือว่าเงินที่เขาบ้างตามปทีบแบบคือต้องให้ที่อยู่เขาชนิดพิเศษว่า ง, งั้นเถยกย่องเขาเป็นพิเศษเพราะเขาเป็นหัวหน้าเป็นจ่าฝูงเนี่ยนะ เมื่อเขาเป็นหัวหน้าเป็นจ่าฝูงเนี่ยถ้าเขาได้รับการดูแลอย่างพิเศษเขาจะช่วยคุ้มครองวัวให้เนี่ยนะเาเราียกว่าวัวต้องใช้วัวเลี้ยงวัว น, นะก็เหมือนกับคนงานเราก็ต้องยกย่องหัวหน้าคนงานเป็นพิเศษคนงานทั้งหลายเขาก็จะดูแลงานให้เป็นอย่างดีฉันใดโคทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าดูแลหัวหน้าโคพิเศษโคหัวหน้าก็จะดูแลฝูงโคได้เป็นอย่างดี แต่นายโคบานไม่เอื้อเฟือไม่สนใจไม่แบ่งอาหารอะไรที่เหมาะสมที่สมควรแกแ่แกการกระทาต่อโคหัวหน้าฝูงก็ไม่ทำโคใหญ่ไม่ได้รับการปรนปรือปรนิบัติเป็นพิเศษก็ไม่รักษาฝูงโคไม่คอยป้องกันอันตรายเพราะฉะนั้นโคตัวไหนจะเกเรเกรตุ้งก็ปล่อยเลยตามสบายใครอยากทำมาตัวไหนยอยากจะทำอะไรก็ทำเนี่ยนะไม่ดูแลไม่สนใจเนี่ยนะลักษณะนี้โคก็เสื่อม เพราะยังไงโคเนี่ยนะในบรรดาโคทั้งหลายก็ต้องอาศัยโคหัวหน้าฝูงคอยดูแลและคุ้มครองฉันใดภิกษุในาศาสนานี้ก็เหมือนกันเนนะเป็นผู้ที่ไม่รู้จัก อ, อ, อุปถาผู้ที่เป็นหัวหน้าเป็นประธานของสงฆ์อธิบายว่าภิกษุผู้ไม่บูชาพระเทระเนี่ยนะด้วยการบูชาเป็นพิเศษเช่นบูชาด้วยกาย กายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาทั้งต่อหน้าและรับหลังคือทำอะไรรู้สึกว่าเราเห็นใจใท่านอะ่ะเพราะท่านเป็นเป็นหัวหน้าเป็นประธานเป็นผู้ที่คอยดูแลคอยรับผิดชอบคอยให้ความสําคัญท่านเป็นเหมือนกับบิดาของภิกษุ ส, ษสงฆ์เป็นหัวหน้าคอยดูแลก็ลูกคนนั้นคือวันๆหนึนง่งท่านมีเรื่องกับอ่ะนะคือกิจของตนเนี่ยบางทีอาจจะไม่มากเลยมีแต่เรื่องของคนอื่นทั้งนั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่เอาภาระหนักๆมาให้ท่านอ่ะ ท่านจะเป็นยังไงคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะไม่เคารพท่านด้วยเมตตากายกรรมต่อหน้าและรับหลังเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังถ้าไม่มีเมตตาวจีกรรมต่อหน้าและรับหลังเนี่ยก็มานั่งอะไรนะนั่งไปที่ไหนก็ไปนั่งตำหนิด่าแต่พระธิร์เนี่ยนะพระธิระรูปนั้นมันทำอย่างนั้นถูกหรือทำอย่างนี้เหมาะสมไหมวันๆหนึ่งก็มานั่งวิจารณ์แต่อาจารย์เนี่ยนะ ก็คือคำว่าบิดาแห่งพิสูจน์สงฆ์ก็คือบุคลครูบาอาจารย์ผู้ที่สแสวงหาปัจจัยสี่คอยเลยยังดูคอยบำรุงถ้า ว, วันหนึ่งพระพิสูจน์เหล่านั้นคอยวิจาร์แต่ท่านเนี่ยนะไม่ให้เกียดท่านไม่ยำเกรงท่านเลยเนี่ยนะแล้วถามองนะท่านจะมีกำลังใจกระจิตกระใจที่จะจะสงเคราะห์บ้างไหมท่านก็จะไม่สงเคราะห์พิสุนเลย